สะเหตุัอนัตตาสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาพร้อมทั้งเหตุปัจจัยเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตารูปเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไหนจกมีอั ต, ตาเล่าเวทนาเป็นอนัตตาละถึง สัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาวิญญาณเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักมีอัตตาเล่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห้นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป เสเหตุอนัตสูตรที่เก้าจบ 10. อานันทสูตรว่าด้วยพระอานน์เรื่องเกิดขึ้นที่อารามในกรุงสาวัตถีครั้งนั้น ท่พระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่พระทับถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับพระองค์ตรัสเรียกว่านิโรธความดับแห่งธรรมเหล่าไหนพระองค์ตรัสเรียกว่านิโรธพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน์รูปไม่เทียมถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 รวมพระสูตรที่มีในวรกนี้คือ 1. อณิจจสูตร 2. ทุกขสูตร 3. อนัตตสูตร 4. ยะทะนิจจสูตร 5. ยังทุกขสูตร 6. ยะทะนัตตาสูตรเสเสถตุอนิจจสูตร 8. เสถตุทุกขสูตร 9. กเสถตุอนัตตสูตร 10. อนันทสูตรสภ า, ารวักหมวดว่าด้วยภาระหนึ่งภารสูตรว่าด้วยภาระเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระและการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังละถึงภาระเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าภาระนั้นได้แก่อุปาทานขันกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นห้าประการ ปูปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูป 2. เวทนาปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนา 3. สัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปลาทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณ น, นี้เรียกว่าภาระผู้แบกภาระเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าผู้แบกภาระนั้นได้แก่บุคคลผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้นี้เรียกว่าผู้แบกภาระการถือภาระเป็นอย่างไรคือตัณหาอันทําให้เกิดอีก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 คือความดับตัญหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพน้นความไม่อะไรในตัญหานี้เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาได้ตรัสเวยากรณพาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าขันหคือภาระบุคคลคือผู้แบกภาระ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 2. ปริญญาสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้เรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรกำหนดรู้และการกาหนดรู้เธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือรูปเป็นธรรมที่ควรกาหนดรู้เวทนาเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้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 เป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งสัญญาละถึงบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ไม่คลายกําหนัดไม่ละสังขารเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ไม่คลายกําหนัดไม่ละวิญญาณเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเมื่อรู้ยิ่งกําหนดรู้คลายกําหนัดและรูปได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อรู้ยิ่งเวทนาสัญญาสังขารบุคคลเมื่อรู้ยิ่งกําหนดรู้คลายกําหนัดและวิญญาณได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์อภิชานสูตรที่สจบ 4. ฉันทราคาสูตรว่าด้วยการละฉันทราคาเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทราคาในรูปด้วยการละอย่างนี้เธอทั้งหลายจักรละรูปนั้นได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่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 นี้เป็นคุณของรูปสภาพที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปธรรมเป็นที่กําจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปสภาพที่สุคโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของเวทนาสภาพที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของเวทนาธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในเวทนานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยสัญญาเกิดขึ้นและถึงสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยสังขารเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของสังขารสภาพที่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา นี้เป็นโทษของสังขารธรรมเป็นที่กําจัดชันทราคะธรรมเป็นที่ละชันทราคะในสังขารนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากสังขารสภาพที่สุคโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของวิญญาณสภาพที่วิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของวิญญาณธรรมเป็นที่กําจัดชันทราคะ รมเป็นที่ละฉันทราคะในวิญญาณนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ตราบนั้นเราก็ยังไม่ยืนยันว่า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 อ า, าสาทสูรที่หจบ 6. ทุติยอาสาทสูตรว่าด้วยคุณของขันสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาววัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวสแสวงหาคุณของรูปได้พบคุณของรูปแล้วคุณของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวสแสวงหาโทษของรูปได้พบโทษของรูปแล้วโทษของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวสแสวงหาเครื่องสลัดออกจากรูป ได้พบเครื่องสลัดออกจากรูปแล้วเครื่องสลัดออกจากรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดออกจากรูปประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของเวทนาละถึงเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของสัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของสังขารเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของวิญญาณได้พบคุณของวิญญาณแล้ว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 เครื่องสลัดออกจากวิญญาณมีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้ชัดคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการ น, นี้ตามความเป็นจริงละถึงอนหนึ่ง ญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกทุติยะอาสาทสูตรที่6จบเจ็ด ตติยะอา ส, สาทสูตรว่าด้วยคุณของขันสูตรที่สามเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าคุณของรูปจะไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในรูปแต่เพราะคุณของรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในรูปถ้าโทษของรูปจะไม่มีแล้ว สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปแต่เพราะโทษของรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปถ้าเครื่องสลัดออกจากรูปจากไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากรูปแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากรูปมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากรูปถ้าคุณของเวทนาจากไม่มีแล้วละถึง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 ถ้าเครื่องสลัดออกจากสังขารจกไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากสังขารแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากสังขารมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากสังขารถ้าคุณของวิญญาณจกไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในวิญญาณแต่เพราะคุณของวิญญาณมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในวิญญาณ ถ้าโทษของวิญญาณจากไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในวิญญาณแต่เพราะโทษของวิญญาณมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในวิญญาณถ้าเครื่องสลัดออกจากวิญญาณจากไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกจากวิญญาณแต่เพราะเครื่องสลัดออกจากวิญญาณมีอยู่ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากวิญญาณภิกษุทั้งหลาย ตราบใดสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้แชดขุณโดยความเป็นขุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอุปทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงตราบนั้นสัตว์ทั้งหลายจะออกไปหลุดไปพ้นไปมีใจปราศจากแดนอยู่ไม่ได้เลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์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 เรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่เพลิเพลินรูปชื่อว่าเพลิเพลินทุกขผู้ที่เพลิเพลินทุกเรากล่าวว่าพ้นจากทุกข์ไม่ได้ผู้ที่เพลิดเพลินเวทนาผู้ที่เพลิเพลินสัญญาผู้ที่เพลิดเพลินสังขารผู้ที่เพลิเพลินวิญญาณชื่อว่าเพลเพลินทุกผู้ที่เพลิเพลินทุกเรากล่าวว่า พน้นจากทุก์ไม่ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ที่ไม่เพลิเพลินรูปชื่อว่าไม่เพลิเพลินทุกขผู้ที่ไม่เพลิดเพลินทุกข์เรากล่าวว่าพ้นจากทุกข์ได้ผู้ที่ไม่เพลิเพลินเวทนาผู้ที่ไม่เพลิดเพลินสัญญาผู้ที่ไม่เพลิดเพลินสังขารผู้ที่ไม่เพลิเพลินวิญญาณชื่อว่าไม่เพลิเพลินทุกขผู้ที่ไม่เพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าพ้นจากทุกข์ได้ อภินันทนะสูตรที่8จบ 9. อุปุปาทสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งขันเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย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 สิอะคะมูลสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งทุกข์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทุกขและมูลเหตุแห่งทุกขแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทุกข์เป็นอย่างไรคือทุกคือรูปทุกข์คือเวทนาทุกคือสัญญาทุกคือสังขาร ทุกข์คือวิญญาณนี้เรียกว่าทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหาอันทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกําหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่ 1. กามาตัณหา 2. ภวะตัณหา 3. วิภวะตัณหานี้เรียกว่ามูลเหตุแห่งทุกข์อัคะมูลสูตรที่สิบ 11. ประพังคุสูตรว่าด้วยสิ่งที่แตกสลายเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย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 ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งเวทนานั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายสัญญาจะเป็นสิ่งที่แตกสลายละถึงสังขารจะเป็นสิ่งที่แตกสลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งสังขารเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายวิญญาณจะเป็นสิ่งที่แตกสลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณนั้น จัดเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายประพังคุสูตรที่11จบภารวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีนิวักนี้คือ 1. ภารสูตร 2. ปริญญาสูตร 3. อภิชาณสูตร 4. ฉชันทราคะสูตร 5. อสาธสูตร 6. ทุติยะอสาธสูตร 7. ตติยะอสาธสูตร 8. อภินันทนาสูตร 9. อุปาทสูตร 10. อคมูลสูตร 11. ประพังคุสูตร สนตุมาหากวักหมวดว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายหนึ่งนตุมาหากสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นสิ่งที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้น จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื้อกูลเพื่อความสุขก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายคือรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นรูปท yes? ี่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเวทนาที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้น จกเป็นไ ป, เ, ปนเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายทท enfin สังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขารนั้นสังขารที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เพือกูลเพื่อความสุขวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้น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 เพราะหญาเป็นต้นนั้นไม่ใช่อัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นรูปที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้น เวทนาที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขสัญญาไม่เจ่ของเธอทั้งหลายสังขารไม่เจ่ของเธอทั้งหลายวิญญาณไม่เจ่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขนาตุมหากสูรที่หนึ่ง 2. ทุติยะนตุมหากะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 3. อัญญตระภิกขุสูตรว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรเด้ยกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุบุคคลครุ่นคิดถึงสิ่งใดก็ถึงการนับเข้ากับสิ่งนั้นไม่ครุ่นคิดถึงสิ่งใดก็ไม่ถึงการนับเข้ากับสิ่งนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาค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 ก็ถึงการนับเข้ากับวิญญาณนั้นถ้าบุคคลไม่ครุ่นคิดถึงรูปก็ไม่ถึงการนับเข้ากับรูปนั้นถ้าไม่ครุ่นคิดถึงเวทนาถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสรรัญญาถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสังขารถ้าไม่ครุ่นคิดถึงวิญญาณก็ไม่ถึงการนับเข้ากับวิญญาณนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งพระภาสิท ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อโดยพิดารได้อย่างนี้ดีละดีละภิกษุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิดารได้ดีแล้วถ้าบุคคลครุ่นคิดถึงรูปก็ถึงการนับเข้ากับรูปนั้นละถึงถ้าบุคคลไม่ครุ่นคิดถึงรูปก็ไม่ถึงการนับเข้ากับรูปนั้นถ้าไม่ครุ่นคิดถึงเวทนาถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสัญญา ถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสังขารถ้าไม่ครุ่นคิดถึงวิญญาณก็ไม่ถึงการนับเข้ากับวิญญาณนั้นภิกษุเธอพึงเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้ครั้งนั้นภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วจากไปต่อมา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 ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอัญญะตะภิกขุสูตรที่สามจบ